จเจริญพรทุกทุกท่านเราคนไทยนะเราถือว่าเราเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราประมาทเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติไม่นานเราก็เหลือแต่ความเป็นพุทธแต่ชื่อทุกวันนี้เท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูนะชาวพุทธเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันมีแต่เป็นชาวพุทธ ศักแต่ว่าเป็นเป็นชาวพุทธก็คือถ้าตายนะเอาไปเผาที่วัดมีืออย่างมากกาบรรลเกิดทีหนึ่งใส่บาตรทีหนึ่งศาททนงสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่ต่ำต้อยแบบนั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสตร์จริงๆเลยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยชีวิตจิตใจของเรามีจุดมุ่งหมายของศาสตร์อันนี้ของการสิ่งที่เราต้องศึกษากัน จุดมุ่งหมายสูงสุดเลยก็คือความพ้นจากทุกอย่างเด็ดขาดความดับสนิทแห่งทุกอย่าจุดหมายปลายทางคือไม่ทุกข์วิธีที่จะปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็คอยสอนให้ให้เรารู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรพอเรารู้เหตุของความทุกข์เราดับเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็ดับ ถ้าสังเกตให้ดีท่านไม่ได้สอนให้เราดับตัวทุกข์ท่านสอนให้เราดับเหตุแห่งทุกข์ตัวทุกข์เป็นสิ่งที่ให้เราเรียนรู้ท่านสอนมาทุกข์ให้รู้สมุทัยเป็นตัวเหตุเนี่ยให้ละเพราะนั้นการดับดับที่เหตุทุกสิทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรก็ตามมะที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันล้วนแต่เกิดจากเหตุทั้งสิน้นถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ อย่างไฟไหม้เราเห็นตำรวจดับเพลิงเอาน้ำไปฉีดตำรวจไม่สามารถดับไฟได้ไฟมันดับเองแต่ทำไมไฟมันดับเพราะตำรวจดับเพลิงเนี่ยเอาน้ำไปฉีดไปลดอุณหภูมิอุณหภูมิมันลดลงไฟมันก็ดับเพราะเหตุของมันดับหรือบางทีบ้านเป็นตึกแถวเรียงกันไปลามไปเรื่อยๆเอาลือทิ้งไปบางหลัง มันไม่มีเชื้อเพลิงไฟมันไม่มีเชื้อเพลิงคือมันไม่มีเหตุมันก็ดับเค้เห็นไฟไหม้รถยนต์ไหมบางทีเขาก็เอาโฟมไปฉีดนะกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปตรงจุดที่ไฟไหม้ไฟก็ดับกระทั่งการดับไฟถ้าดูให้ดีเขาจะดับเหตุของไฟเหตุของไฟเช่นอุณหภูมิที่สูงเกินไปมันมีเชื้อเพลิงมันมีมีออกซิเจนน ันการดับทุกข์ทั้งหลายนะก็ต้องดับที่เหตุของทุกข์เราไม่ได้ดับตัวทุกข์ตรงๆเพราะว่าไม่มีใครดับได้นี่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้สมูทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์เราจะละสมู ท, ทยัยอัตโนมัตินะเมื่อไรละสมูทัยได้จะแจ้งนิโรธอัตโนมัติ เมื่อไรแจ้งที่โรดเนะมื่อนั้นอริยมรรคก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่มีใครสั่งให้อริยมรรคเกิดได้อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์เต็มที่ตรงปัญญาก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่รู้ทุกข์สิ่ ง, งเดียวนะเราไม่สามารถดับเหตุของทุกข์ได้ลายเหตุของทุกข์ไม่ได้ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่พวกเราเห็นนะี่เราจะเห็นว่าบรรทุกเพราะอะไร ทุกข์เพรความแก่ทุกข์เพราความเจ็บทุกข์เพราความตายความทุกข์เพราความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกข์ที่ละไม่ได้เมื่อมีร่างกายแล้วนะมีขันขึ้นมามีร่างกายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอายุของมันมันอยู่ได้แค่นี้ยมันทนอยู่ไม่ได้คือยังไงมันก็ตายขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็ละไม่ได้นท่านก็ปรินิพานร่างกายท่านก็ตาย นั่นอยางความแก่ความเจ็บความตายเราล้าไม่ได้ความทุกข์ที่เราล้าได้เด็ดขาดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเกิดจากอะไรต้องรู้ตรงนี้ถ้าเรารู้เหตุของความทุกข์ทางใจแล้วเนี่ยเราดับเหตุของมันได้ความทุกข์ทางใจจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากความอยากถ้าเราสังเกตให้ดีนะทุกคราวที่อยากใจจะมีความทุกข์ แต่คนทั่วไปไม่เคยเห็นตรงนี้ต้องรอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ท่านถึงจะมาสอนได้ทั้งที่เป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่สติปัญญาของคนอื่นเนี่ยเข้าไม่ถึงคนทั่วๆไปคิดแต่ว่าถ้ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกไม่สมอยากถึงจะทุกข์พวกเรารู้สึกอย่างนั้นไหมถ้ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วได้อย่างที่อยากได้สมอยากไม่ทุกข์เราจะรู้สึกอย่างนี้ คนทั่วไปมองได้แค่นเองว่ามีความอยากเนี่ยไม่ทุกนะแต่ถ้าไม่ได้อย่างที่อยากถึงจะทุกแต่นักปฏิบัติเราโลกสิทธิ์พระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะสังเกตอยู่ที่ใจเราเราจะพบว่าทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์จะเกิดขึ้นเราลองสังเกต ด, ดูอย่างสมมติว่าเราอยากจะจีบสาวสักคนหนึ่งนะทันทีที่ความคิดอยากจะจีบสาวเกิดขึ้นเนี่ยใจจะเกิดความเครียดขึ้นละ ว, ว่าจะจีบได้หรือไม่ได้ จะจีบแบบไหนครับถึงจะยอมเป็นแฟนกัวเราเนี่ยนะอยากถูกหวยเครียดไหมหรือสดชื่นอยากถูกหวยนะอยากถูกหวยก็เครียดแล้วใช่ไอยากอะไรขึ้นมาทีไรเครียดทุกทีแหละลองไปสังเกตใจตัเองงั้นในสายตาของชาวพุทธที่แท้จริงนะเมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นมีความทุกขนะ์ความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นทันทีนี่ความอยากเนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ ใจมันอยากมันอยากได้เองนะเราไม่ได้สั่งให้ใจอยากใจมันอยากได้เองเราต้องหาทางทําลายต้นต่อของมันต่อไปอีกว่าทํำยังไงถึงจะทำลายต้นต่อของความอยากไดนะ้ความอยากถึงจะไม่เกิดเนี่อหลักธรรมในทางพุทธศาสนานะีมีแต่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมนะีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มนะีเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้นเลยนะมีความอยากเกิดขึ้นเป็นเหตุ มีผลเป็นความทุกข์ตัวความอยากเองก็เป็นผลของเหตุอย่างอื่นนะที่ลึกลงไปอีกนะความอยากมันเกิดจากอะไรนะถ้าเราดูลงไปลึกลงไปถึงที่สุดเลยนะไม่เกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ทุกข์นั่นเองเพราะเราไม่สามารถจะรู้ความจริงได้จิตไม่ยอมรับความจรนะิงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกขนะ์พระพุทธเจ้าสอนนะสิ่งที่เรียกว่าทุกขนะ์นคือตัวรูปกับนาะพูดภาษาไทย ง่ายๆคือกายกับใจคําว่ากายกับใจไม่ตรงกับคำว่ารูปนามทีเดียวนะอนุโลมไปก่อนแล้วก็ภาวนาไปก็จะรู้จักรูปรู้จากนามจริงๆนี่เราพูดให้คนซึ่งยังไม่ได้เห็นรูปเห็นนามชัดเจนเดี๋ยวจะงงว่ามันคืออะไรตัวกายกับใจเราเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหม ร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เคยเห็นว่าจิตใจของเราเป็นตัวทุกข์นะเราเห็นว่าจิตใจเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นอย่างนี้ไหมรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขเมื่อสติปัญญาเราไม่พอนะเราจะเห็นแบบเนี้ว่าร่างกายเนี่ยเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขจิตใจเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขถ้าเมื่อไรเราได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสติปัญญาแก่รอบจริงๆ เราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่เป็นทุกข์มากกับทุกข์น้อยเป็นทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่เป็นทุกข์กับสุขสุขจริงๆก็คือสภาวะที่ทุกข์มันเบาบางลงเรารู้สึกว่าสุขอย่างถ้าเราเกิดมานะทุกวันนะเราถูกเคี่ยนวันหนึ่งห้าสิบครั้งถูกตีจะมาตีห้าสิบทีทุกวันทุกวันทุกตีทุกวันเฉยๆนะรู้สึกไม่ทุกข์เท่าไรมันมันเคยชินมันด้านชา แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะเขาตีเหลือสี่ครั้งนะวันพ่อยกให้พิเศษตีน้อยลงนะพอวันต่อมาตีเท่าเดิมห้านสะครั้งจะรู้สึกทุกข์มากเลยนะมันรู้สึกเปรียบเทียบขึ้นมาถ้ามันจมอยู่ในความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนะี่ยมันไม่เคยรู้จักทุกข์อนะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเจอสภาวะที่ไม่ทุกข์บ้างแล้วเนะี่ยมันจะรู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนะี่ยเป็นทุกข์อยู่มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีทุกข์กับสุข อยวพวกเราลองทดสอบดูว่าจริงหรือไม่จริงร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยในความเป็นจริงแล้วเราทุกข์อยู่ทุกทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์แต่เราไม่รู้สึกรู้สึกแม้เพราะว่าอะไรเราหายใจมาตั้งแต่เกิดแล้วเราชินเราไม่เคยรู้เลยว่าการหายใจเนี่ยหายใจเพื่อดิ้นหนีความทุกข์ไป รเราเปลี่ยนอิริยาบถมาตั้งแต่เกิดนะกระดุกกดิก๊บกระดุ ก, กดิ๊ไปตั้งแต่เล็กๆล็ตั้งแต่ยังลุกขึ้นมาเดินไม่ได้นอนดิ้นไปดิ้นมานะัเพราะว่ามันทุกข์แต่เราเคยชินเราไม่รู้สึกอย่างพวกเราเนี้ยร่างกายเนี้ยมีความทุกข์นะตั้แต่เมื่อพอนั่งอยู่สักพักหนึ่งต้องขยับนะลุกขึ้นเดินไม่ได้ลุกขึ้นยืนไม่ได้มันน่าเกลียดหลวงพ่อกําลังเทศนะ่ะาขยับตัวนะขยับเอวขยับไหลเนี่ยถ้ามองจากหลวงพ่อลงไปนะีจะรู้เลยว่าพวกเราพัฒนามาจากลิงจริงๆนะ ก็ยุกก็ยิกก็ยุกยิกตลอดเลยเพราะมันทุกข์มันทุกข์แต่เราเคยชินเราเลยไม่รู้ว่าทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์แต่เราเคยชินเราไม่เคยรู้ว่าทุกข์ทดสอบดูลองหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยสิลองหายใจเข้าไปแล้วดูว่าทุกข์ไหมทุกข์ไหมเอาเรียบหายใจออกแก้ทุกข์มีความสุขไหมหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์ไหม หายใจไปนะเรามีสติเราลึกอยู่นะก็จะเห็นเลยว่าเราหายใจออกนะก็เพื่อนหนีความทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อนหนีความทุกข์ของการหายใจออกการที่เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็หนีความทุกข์ที่มันท่วมทับอิริยาบถนั้นนั่นเองอย่างเราซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งนะตัวล ะ, ละล้านก็ได้ติดเพดติดพลอยนะนั่งอย่างดีเลยนั่งไปนั่งไปก็เมื่อยใช่ไหมมีไหมนั่งแล้วไม่เมื่อยนะไม่มีหรอก เนร่างกายจริงๆไปเป็นตัวทุกข์แต่ว่าพอทุกข์ปุ๊บเราขยับปับ๊บทุกข์ปุ๊บเราขยับปับ๊บเราเลยไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์จนกว่าจนกว่าจะไม่มีแรงขยับนะอย่างเวลาป่วยใครเคยไปโรงพยาบาลเห็นคนที่นอนป่วยแล้วขยับตัวไม่ได้ไหมจะพลิกจะซ้ายขวาพลิกไะไรไม่ได้เลยกระดูกกระดิกไม่ได้ถ้านอนแบบไม่มีคนคอยจับพลิกให้นะไม่นานตัวก็เน่า แล้วนอนไปเรื่อยๆน่ทุกข์นะพวกเรารู้สึกบ้างไหมว่านอนเป็นทุกข์ใครเคยเห็นทำชี้จีรู้สึกไหมว่านอนแล้วเป็นทุกข์หรือนอนแล้วมีความสุขหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่านอนแล้วมีความสุขนะนอนเพื่อบําบัดทุกข์ของการที่เราต้องนั่งอยู่นานแล้วเดินอยู่นานแล้วยืนอยู่นานแล้วเป็นนอนบําบัดทุกขน์นะเดินบาบัดทุกข์ได้ไปเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์อีกแล้วนะต้องคลิกซ้ายคลิกขวาต้องขยับไปขยับมาขยับแข้งขยับขา นึกออกไหมทําไมขยับเพราะว่ามันเมื่อยใช่ไหมมันปวดมันเมื่อยมันทุกเนี่ยร่างกายเราะมันสอนธรรมะเราอยู่ตลอดเวลานะว่าทุกทุกอยู่ทุกทุกอิริยาบถทุกทุกอยู่ลมหายใจเข้าออกมีแต่ทุกทั้งนั้นเลยแต่คนทั่วไปไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นคนทั่วไปไม่รู้สึกว่าร่างกายเป็นทุก์ยกเว้นเวลาที่มันทุกหนักๆนะเจ็บหนักๆไม่สบายหนักๆจนกระทั่งช่วยตัวเองไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยค่อยรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาสักทีหนึ่ง ทั้งๆที่มันทุกข์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้ายืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์มันก็ไม่มีที่จะไม่ให้ทุกข์ละถ้าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้ามันก็ไม่มีที่จะยกเว้นแล้วว่าตรงไหนที่จะไม่ทุกข์เรหายใจทั้งวันเงั้นการที่เรามีสตินะคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆก่อนจะเคลื่อนไหวรู้สึกสนิดหนึ่งทําไมถึงเคลื่อนไหวมันทุกข์แล้วมันถึงเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆ ถ้าเราไม่ใจลอยไปนะเราก็จะรู้สึกร่างกายได้แต่ถ้าเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมเอี่ยวพวกเราเนี่ยหลายคนนั่งเนี้ยถ้านั่งอยู่ตรงหลวงพ่อจะเห็นนะพวกเรานั่งเกาบ้างนั่งอย่างโน้อนอย่างนี้มัง่งนะแต่ว่าเวลาเราคันขึ้นมาเนี่ยเราเกาวอัตโนมัติรู้สึกไหมเนะี่ยผมมันมาปัดหน้าแนละ้วปัดอัตโนมัตินะี่ไหมเราลืมเราไม่ทันรู้สึกเลยว่ามันทุกข์นะงั้น พยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆไว้แล้วเราจะรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์จริงๆดูแล้วจะจิตใจหดหูไหมไม่หดหูนะดูแล้วจิตใจยิ่งร่าเริงร่าเริงขึ้นไปเพราะว่าอะไรร่างกายเนี่ยไม่นานก็แก่ร่างกายนี้ไม่นานก็เจ็บร่างกายไม่นานก็ต้องตายนะตายเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องแก่ถึงจะตายนะถ้านั่งเทศอย่างหลวงพ่อมานานๆนะจะเห็นเลคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเด็กกว่าหลวงพ่อเนี่ยตายไปเยอะแล้วนะ เป็นมะเร็งตายเป็นเลยตายนะเฉะนั้นความตายเนี่ยไม่แน่นอนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นี่ถ้าเราได้ฝึ ก, กจิตฝึกใจเราเห็นว่าร่างกายคือตัวทุกข์เวลาร่างกายจะแก่ตัวทุกข์แก่เราจะไม่หวั่นไหวตัวทุกข์มันแก่เราจะหวั่นไหวอะไรเวลาร่างกายมันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บจิตใจมันรู้ว่าคือตัวทุกข์มันเจ็บจิตใจจะไม่หวั่นไหว เวลาจะตายมันจะรู้ว่าตัวทุกข์มันจะตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวถ้าตัวทุกข์จะตายหวั่นไหวไหมถ้าตัวดีจะตายถึงจะหวั่นไหวใช่ไหมของดีของวิเศษเราจะตายแล้วมันถึงจะหวั่นไหวแต่ถ้าสติปัญญามันแก่กล้าจริงๆร่างกายนี้คือตัวทุกข์ถ้าไม่จะแก่มันจะเจ็บมันจะตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวจิตใจจะไม่ทุกข์นะทุกข์มันจะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นแต่มันจะเข้ามาไม่ถึงใจเราค่อยๆฝึกนะต่อไปเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกาย ในทางจิตใจนะจิตใจเราทำไมมันทุกข์ได้สังเกตดูมันทุกข์เพราะมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักทุกข์ไหมเออทุกข์ใช่ไหมพลัดพรากจากคนที่รักก็ทุกข์เวลาเจอคนที่เกลียดเจอสิ่งที่เกลียดทุกข์ไหมแนท่านถึงสอนนะบอกว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ ความอยากสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกขนะ์นแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ถ้าดูให้ดีความทุกข์ทางใจนะมันเกิดจากอะไรอยู่ๆเราจะไปสั่งใจว่าอย่าทุกข์สั่งได้ไหมโยงสั่งใจแล้วอาต่อไปนี้ห้ามทุกข์ทุกข์ไหมก็ยังทุกข์อย่างเก่าเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ทุกข์นะ เวลาสิ่งที่ไม่ดีหายไปแล้วนะก็ยังทุกข์อีกนะกลัวมันมาอีกนะกลัวมันจะกลับมาอีกอย่างบางคนมีหนี้อยู่เห็นเจ้าหนี้มาเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเราหลบซะเจ้าหนี้ไปแล้วมันไปแล้วแต่เดี๋ยวเราเราก็กังวลอีกนะเดี๋ยวมันคงแอบมาอีกแหละเราจะต้องคอยหลบมันอีกแค่ความทุกข์หายไปนะเราไม่อยากให้มันกลับมาอีกก็ทุกข์อีกแล้วนะทุกข์ตั้งแต่ความทุกข์ยังไม่มาเลยนะปัญหายังไม่มาเราก็ทุกข์แล้วล่ะ หรืออย่างเรามีคนที่รักนะถ้ามีคนที่รักแล้วเราต้องพลัดพรากจากคนที่รักไปอย่างมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยนะมีสามีมีพันยาสามีไปมีเมียน้อยเงี้ยทุกมากใช่ไหมมันพลัดพรากไปแล้วเจ็บใจด้วยสามีตายก็ทุกเหมือนกันแต่ไม่ทุกเท่ากับสามีไปอยู่กับคนอื่นนะพลัดพรากด้วยกันหนีไปอยู่กับคนอื่นเนี่ทุกมากเลยกพราแขนด้วยน้าพังมันตายอย่างพอโอ้โหสิให้มันใครไปจะห้ามไม่ได้มันจะตาย เรามีคนที่เรารักนะแต่คนที่เรารักไม่อยู่กับเรามันทุกข์คนรุ่นเราเนี่ยลูกต้องเรียนหนังสือเรียนอยู่กับเราพักเดียวนะเรากะว่าลูกจะอยู่กับเราตลอดบางคนสร้างบ้านซับเลิมเลยกะว่าต่อไปลูกเข้ามาอยู่กับเราอีกแหละมีลูกหลัหนึ่งนะสร้างมันสิบสามห้องเลยตัวเองอยู่ดูหนึ่งห้องนะจะให้ลูกอยู่อีกสิบสิบสองคนอย่างเงี้ยปรากฏว่าลูกไปเรียนหนังสือไปหมดนะ ก็อยู่กันสองคนตาใหญ่นะถามว่ายัางไม่ทันจะตายเลยก็พลัดพรากแล้วนะพลัดพรากไปนะมีใครบ้างลูกไปเรียนที่อื่นมีแมมมีความสุขไหมไปไปให้พ้นเราจะได้ทำเป็นสาวใหม่ก็ดีก็ด้าอันนั้นแสดงไม่รักจริงนั้นรักตัวเองนะรักตัวเองแต่อย่างคนที่เรารักพลัดพรากไปเราทุกข์หรือคนที่รักยังไม่ทันพลัดพราก เรากลัวว่าจะพลาดพลาดเราก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าพลาดพลาดไปแล้วเราก็อยากให้คืนมาอย่างเขาทิ้งเราไปแล้วอย่าให้กลับมาหาเราทุกคราวที่อยากให้นมาทุกข์อีกแล้วงั้นเรารเรารักอะไรนะเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะเราเกลียดอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละในใจนี้งั้นทำไงจะไม่รักทําไงจะไม่เกลียดเรามาหาจเจริญสติเจริญปัญญาคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของตัวเอง รู้ทันความรู้สึกในใจบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าความสุขผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีหรือความชั่วโลภโกรธหลงอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมาที่ใจนะผ่านเข้ามาไม่นานก็หายไปนี่เรามาเฝ้าดูของจริงในใจเรานะเราจะเห็นยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วล้วนแต่เป็นของชั่วคราว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ใจเนี่ยเป็นของโชคคราวทั้งหมดเลยเมื่อเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเกิดความฉลาดขึ้นมามันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของโชคคราวเมื่อจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของโชคคราวแล้วเพราะความสุขมาเนี่ยจิตมันก็รู้ว่าความสุขเป็นของโชคคราวจิตจะไม่หวั่นไหวแบบอยากให้ความสุขอยู่นี่รันดอนนะเพราะอยากให้ความสุขอยู่นานๆมันก็ทุกข์แล้วล่ะ นั่นพอความสุขผ่านเข้ามานะจิตมันฉลาดมันรู้ว่าความสุขนี้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปแล้วละ่ะถ้ามันไปเนี่ยจิตยอมรับได้เพราะจิตฉลาดจิตรู้ว่ามันของชั่วคราวแล้วมันไปแล้วจิตก็ไม่ได้หิวโหยส่วนมากพวกเราจะหิวความสุขเราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี้เราดิ้นรนหาความสุขนะนึกออกไหมอย่างบางคนเป็นเด็ก เป็นเด็กนักเรียนนะก็เรียนหนังสือตั้งอกตั้งใจเรียนหวังว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขเรียนจบแล้วก็ไปหางานทํานะถ้าได้งานดีๆได้เงินเดือนเยอะๆจะมีความสุขมีงานทําแล้วก็อยากมีครอบครัวมีสามีมีพัญญาแล้วจะมีความสุขมีสามีพัญญาแล้วก็ต้องมีลูกด้วยถึงจะมีความสุขบางคนก็อยากให้ลูกฉลาดลูกหน้าตาดีไม่ดูตัวเองเลยนะ ความเป็นไปไม่ได้หรอกนะโทดว่าลูกหน้าตาไม่ดีเนะนี่ยเราหาความสุขนะพออายุมากขึ้นนะก็กะว่ารวยๆแล้วจะมีความสุขนะตอนหนุ่มตอนสาวก็ถ้ามีแฟนสวยๆแล้วจะมีความสุขนะพออายุมากขึ้นนะสามีเราก็ดูไม่ได้ภรรยาเราก็ม่อมดูไม่ได้นะมีเงินเยอะๆมีความสุขนะี้าหาเงินไปได้ๆจนหมดแรงนะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล มีเงินก็ไปจ่ายให้หมอหมดเลยนะที่พักเพลียนทำงานมาจ่ายค่าหมอนี่เยอะมากเลยคนรุ่นเราเนี้ยนะหวังว่าอะไรหวังว่าถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วจะมีความสุขสุดท้ายนก็ตายห น, ะนีไปไม่พ้นเลยเราดิ้นรนหาความสุขนะตั้งแต่เกิดจนตายหลวงพ่เคยเห็นนะคนที่ป่วยหนักๆแล้วมันทรมานมากๆอยู่ในเตียงโรงพยาบาลนะเขย่าเตียงนะเขย่าลูกโครงเหล็กข้างเตียงนะโครมโครโครมเลยนะ เมื่อไหร่จะตายสักทีว้ยเมื่อไหร่จะตายสักทีว้ยถ้าตายได้จะมีความสุขไมมีแต่คำว่าจะมีความสุขจะมีความสุขจะมีความสุขมาตั้งแต่เกิดเลยนะถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขวิ่งหาแต่ความสุขตลอดชาติเลยแล้วมันไม่เคยได้มันเหมือนเหมือนจะได้มันหลอกเรานะได้มาปุ๊บหายไปแล้วใจก็หิวโหยต้องแสบหายอีกแล้วหาความสุขตลอดชีวิตเลย แต่ท้าเมไรสติปัญญาเราแก่กล้ารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวทําไมแก่กล้าดูบ่อยๆสิความสุขเกิดขึ้นมาคอยรู้ความสุขเกิดขึ้นมาคอยรู้นะถ้าดูอย่างนี้บ่อยๆจิตมันรู้ว่าความสุขก็ของชั่วคราวความหิวโหยในความสุขมันจะหายไปความยิ้นรนของจิตจะหายไปจะหมดไปถ้าความสุขมาก็ดีไม่เป็นไรความสุขมาบุญให้ผลมีความสุขถึงวาระที่ความสุขจะไป ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะความสุขเป็นของชั่วคราวนะแ้วความสุขยังไม่มาก็ไม่หิวมากนะไม่หิวโหยเท่าไรหรอกแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์จะไม่หิวเลยแต่ถ้ามีกิเลสอยู่ก็ยังหิวอยู่แต่ก็หิวไม่มากามเพราะสติปัญญามันรู้มันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าถึงได้ความสุขมานะก็สุขชั่วคราวอย่างเงี้ยความดิ้นรนที่จะหาความสุขนะมันจะลดลง ใจที่มันพ้นจากความดิ้นรนนะมันจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งมันมีความสงบสุขนิพพานคือตัวสงบตัวสันติ น, ะนั่นแหละนิพพานคือสันตินะแต่ว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรนิพพานมีสันติลักษณะนะลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความเสียดแทงสงบจากความทุกขนะ์นี่พอใจมันมีปัญญานะใชจมันเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงขึ้นมา ไม่ใช่มีความสุขเพราะต้องอยู่กับคนนี้เพราะต้องได้สิ่งนี้เพราะต้องมีสิ่งนี้ไม่ใช่มีความสุขเพราะต้องไม่เจอคนนี้นะต้องไม่พบสินน่งนี้แต่ว่ามันมีความสุขอยู่ด้วยตัวของมันเองเพราะมันมีปัญญามันรู้ว่าความสุขเป็นของโชคคราวถ้าดูอย่างใจมีความสุขเรารู้ น, นะเราก็เห็นว่าความสุขโชคคราวนะแต่ของแถมที่เห็นมาด้วยเนะีือถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าความทุกข์เป็นของโชคคราวเหมือนกันถ้าสุขกทุกข์นี่มันหมุนอยู่ในใจเราทั้งวัน เจออารมณ์ที่ดีก็มีความสุขเจออารมณ์ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาสุขทุกข์เนี่ยหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะจะไปดูแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้หรอกดูใจของเราจริงๆจะเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์เละแล้วเวลาปัญญาเกิดนั้มันจะรู้เลยว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหะของชั่วคราวนั้นเวลาเจอความสุขนะไม่หลงระเริงเจอความทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ท้อแทะความสุขหายไปไม่เสียดายเพราะรู้ว่าความสุขได้ทําหน้าที่ของความสุขแล้ว หมดหน้าที่แล้วหมดวาระแล้วเธอก็ไปนะความทุกข์มานะไม่ดิ้นรนความทุกข์ไปก็ไม่ไม่ต้องดีใจมากเพราะเดี๋ยวมันก็มาอีกจนะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาใจมันจะไม่กับเพื่มไม่งั้นใจเรากะเพื่มขึ้นกะเพื่มลงทั้งวันเลยเดี๋ยวอยากอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้อยากจะมีอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะไม่ได้อยากจะไม่มีอยากจะไม่เป็นตัวอยากทานะั้งหลายนั่นแหละที่ว่าตัวตัณหาหรือตัวสมุ ท, ทยัยนะมันเกิดจากเราไม่รู้ความจริง นั้นถ้าเราหัดเรียนรู้ความจริงในร่างกายเรียนรู้ความจริงในจิตใจ <ๆ Zhi S 2> มากๆนะต่อไปความอยากจะไม่เกิดอย่างถ้าเรารู้กายมากๆเนี่ยเรารู้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์เมื่อรู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ น, าานีความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์เนี่ยไม่มีหรือเวลาที่ร่างกายมีความทุกข์ขึ้นมาจิตใจจะไม่หวั่นไหวถ้าหวั่นไหวก็หวั่นไหวไม่มากนะถ้ายังมีกิเลสนิดหน่อยก็หวั่นไวนิดหน่อยมีกิเลสมากก็หวั่นไหวมากนะถ้าไม่มีกิเลสไม่หวั่นไหว เนี่ยเราค่อยๆดูเราจะสังเกตเลยว่าความอยากมันทําให้เกิดความทุกข์ความอยากเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจนะไม่รู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เราก็ดิ้นรนอยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เราไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวเราก็อยากให้ความสุขอยู่นิรันดรอยากให้ความทุกข์ไม่มาเลยเนี่ยนะเป็นความอยากทั้งหลายแหล่นี่ล้วนแต่เป็นความไร้เดียงสาของจิตทั้งสิ้น ความอยากเกิดจากความไร้เดียงสาของจิตนะคือเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจได้นะใจจะหมดความอยากมันรู้ความจริงว่ากายนี่คือตัวทุกข์ก็ไม่มีความอยากให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์มันรู้ว่าจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของที่ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยผันแปรตลอดเวลาะ ความอยากที่จะให้มันมีสภาวะอย่างนี้ดีๆตลอดไปไม่มีความอยากที่จะนะไม่ให้มีความทุกข์เลยหรือความทุกข์มาอยากให้ไปเร็วๆอยากให้เป็นไปตามใจนะมันไม่เป็นถ้าเราสังเกตยอยู่ที่ใจเรานะเราจะเห็นสภาวะสองอย่างที่ชัดเจนหนึ่งเห็นความไม่คงที่ทุกอย่างมาเราไปนี่เห็นอันหนึ่งนะเห็นอีกอันหนึ่งคือเห็นว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้อย่างจะสั่งให้ใจมีความสุขสั่งไม่ได้ จะห้ามใจว่าอย่าทุกข์ห้ามไม่ได้จะสั่งนะใจว่าจงมีแต่ความดีนะสั่งไม่ได้จะสั่งใจว่าห้ามชั่วสั่งไม่ได้ <c oughs> เคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธเราก็โกรธใช่ไหมตั้งใจว่าจะไม่รักเราก็รักใช่ไหมเคยแมตั้งใจจะไม่ซื้อเราก็ซื้อบ่อยเลยใช่ไหมตั้งใจจะไม่ซื้อเดี๋ยวจะไปเดินอากาศร้อนจะไปเดินตามศูนย์การค้าเอาแอร์เย็นๆเท่านั้นแหละ จะไปเอาเปรียบมันไม่ซื้ออะไรมันหรอกแถมฉีกทีหนึ่งด้วยตัดเดินออกมาไม่รู้หิวอะไรเป็นอิอนังบ้าเลยหิวอะไรกะโตกระเตงเนี่ยอยากจะอยากจะไม่อยากนะอยากจะไม่ซื้ออยากจะไม่รบไม่โกรธไม่หลงห้ามไม่ได้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเราจะรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์ แล้วเราก็คุมมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บไม่ได้สั่งไม่ให้ตายไม่ได้ส่วนจิตใจนี่เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของทุกอย่างผ่านเข้ามาชั่วคราวหมดเลยเป็นอนิจจังอยู่ชั่วคราวนะแล้วก็เป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คืออนัตตาดังนั้นถ้าดูกายเนี่ยบ่อยๆเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกขังนะเป็นตัวทุกข์พล้วเป็นอนัตตาถ้าดูจิตใจไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตใจเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจะเห็นอย่างนี้ง่ายๆ นั้นเฝ้รู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะถ้าใจมันรู้ความจริงแล้วกายนี้มันก็เป็นตัวทุกข์นะแล้วก็สั่งมันไม่ได้จริงความดิ้นรนเกี่ยวกับร่างกายก็จะหายไปจิตใจไม่มีความอยากเกิดขึ้นเพราะร่างกายจิตใจจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายถ้ามันรู้ว่าทุกอย่างในจิตใจเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจบังคับไม่ได้มันก็จะเลิกบังคับ ไม่เห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ทุกอย่างก็ไปดงั้นไม่ว่าอะไรจะมานะจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วมันก็เป็นเรื่องธรรมดามาแล้วก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาใจรู้ว่าเป็นธรรมดาใจจะไม่หวั่นไหวนะใจจะไม่กระเพื่อมใจจะไม่มีความอยากเมื่อใจไม่อยากใจจะไม่ทุกขนะ์นะความทุกข์มันจะอยู่นอกๆไปอยู่ที่ร่างกายอย่อย่งนี้ยแต่เข้ามาไม่ถึงใจหรอ งั้การที่เราจะเจริญปัญญามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้บ่อยๆรู้เนืองๆนะรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นใจเป็นกลางไม่เข้าไปแทกแซงเราก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเพระรู้ตามความเป็นจริงเชิงเบื่อหน่ายเพื่อเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราหลุดพ้นจากกองทุกข์กันตรงนี้เองพอไหวไหมพอสู้ไหม เทศตั้งนานไม่ถามเลอว่าแล้วจะทำยังไงไม่ถามก็บอกให้นะถือศีลห้าไว้ก่อนต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสมาธินี่ยากถ้าไม่มีสมาธิโอกาสที่จะเกิดปัญญาเนี่ยไม่มีเลยนะนั่นต้องมีศีลอย่าคนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านคนที่คิดทำร้ายคนอื่น คิดจะขโมยคนอื่นคิดจะไปเป็นชู้กับเขานะคิดจะโกหกหลอกลวงเขานะหรือคนที่เล่าเมายาจิตฟุ้งซ่านนึอกออไหมคิดจะทำลายเขาฟุ้งซ่านไหมจิตสงบไหมล่ะไม่สงบเมตตาคนอื่นจิตสงบหมเมตตาคนอื่นจิตสงบใช่ไหมคิดจะเอาของคนอื่นจิตไม่สงบให้คนอื่นได้จิตมีความสุขมีความสงบหให้อาหารสัตว์ให้อาหารอะไรอย่างงี้นะใจก็มีความสุขมีความสงบ คิดจะเป็นชู้ของเขาไม่มีความสุขมีความสงบนะซื่อสัตย์อยู่กับคู่ครองของเราจิตไม่กระเพื่อมเลยอยู่กันเหมือนอยู่กับโต๊ะเก้าอี้ตัวหนึ่งนะเฉยเฉนะจิตไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวนะไม่ไปมองเมียชาวบ้านนะโอ้ยจิตหวั่นไหวนะชอบนะชอบจะไปจีบเพราะกลัวเขาตื้มอมาอย่างนี้นะนะ ใ, นใจไม่มีความสุขงั้นะถ้าถือศีลนนะใจจะสงบเพาใจมันจะมีคุณธรรมขึ้นมา อยางเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเราก็จเจริญเมตตาไปหัดจเจริญเมตตาไปด้วยนะเราไม่เอาของคนอื่นนะเราก็รู้จักให้คนอื่นบ้างนะเราไม่ไปเจ้าชู้เรียราดนะเรากไ็ได้ฝึกความสันโดษความสันโดษความยินดีพอใจในคู่ของเราเองยนะิมีความสงบหรือว่าเราไม่โกหกหลอกลวงเราฝึกสัจจะเราพูดความจริงคนโกหกหลอกลวงนะมีโทษมากนะแตาไปพูดอะไรไม่มีใครเชื่อ คนมีศัจจาพูดอะไรก็คนเชื่อนะบางคนทําธุรกิจนี้ตกลงด้วยวาจานะก็ใช้ได้ละบางคนมันมีศัจจาขนาดเซ็นสัญญานะมันยังพลิ้วไปพลิ้วมาเลยงั้นอย่างคนถ้ามีศัจจานะมีเครดิตนะคนเขาเชื่อถือหรือคนที่เล่าเมายานะถ้าคนมีสตินะเนี่ยเทียบกันไม่ได้นะเงั้นเราอย่าไปทําบาปอกุศลทางกายทางวาจาห้าอย่างนี้แได้ เราก็เจริญกุศลขึ้นมาถ้าจิตใจเราไม่ได้คิดจะทําร้ายแต่จิตใจมีเมตตาจิตใจรู้จักให้ทานจิตใจมีความสันโดษจิตใจมีสัจจะจิตใจมีสติสัมปชัญญะพระธรรมว่าอย่างนี้เกื้อกูลให้จิตใจสงบสุขถ้าจิตใจสงบจิตมีสมาธิขึ้นมานะนั่นตั้งใจรักษาศีลไว้บางคนบอกว่าฝึกสมาธิมาตั้งแต่เด็กจิตไม่เคยสงบเลยลองไปรักษาศีลดูสักสามเดือนนะ ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพยายามรักษาให้ดีเลยสักสเดือนเราก็จะรู้เลยว่าใจเราเปลี่ยนใจเรามีความสุขมีความสงบขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขมีความสงบแล้วนะไม่เพลิดเพลินไม่พอใจอยู่แค่นี้ถ้าติดในความสุขของสมาธิแค่นี้ยังต่ําต้อยเกินไปของพิเศษยิ่งกว่านี้ยังมีอยู่นะพอจิตใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วเนะี่ยเรามาเจริญปัญญาเรามาคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหม ใจลอยเนี่ยมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจเราอยากใจอลอยเรารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆไม่นานเราก็เห็นความจริงของกายไม่นานเราก็เห็นความจริงของใจตรงที่เราเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปเรียกว่าการเจริญปัญญาเนอะเมืาทั้งใจมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเนะี่ยมันจะไม่กระเพิ่มบันบ่นไบตัณหามจะไม่เกิดตัณหาคือตัวสมุทยัยตัวความอยากไม่เกิดนะความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกต่อไป ถ้าลดตัณหาลงได้ความทุกข์ทางใจก็ลดลงถ้าละตัณหาทำลายตัณหาได้หมดความทุกข์ทางใจก็ไม่เหลืออยู่ดิมเป็นปฏิภาคแปลผันตามกันไปอย่างนี้ค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะทุกวันทุกวันอย่าปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไม่ฝึกตัวเองชีวิตนี้สั้นนักนะไม่นานเราก็ตายหรือไม่นานเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาหนักๆในชีวิตทุกคนต้องเจอ อย่างการที่ต้องพลัดพรากจากคนที่รักเนี่ยพ่อแม่เราเรารักก็ไม่อยู่กับเราตลอดใช่ไหมลูกเราก็พลัดพรากพลัดพรากแบบไหนไปเรียนหนังสือที่อื่นจังหวัดอื่นนี้ก็พลัดพรากละหรือพลัดพรากมากกว่านั้นคือไปแต่งงานเวลาลูกแต่งงานเนี่ยพลัดพรากนะรู้สึกไหมใครเคยมีลูกแล้วลูกแต่งงานแล้วมีไหมโอ๋เออทั้งห้องเลยเนาะไม่ไม่มีลูกถึงขั้นแต่งงานนะ ลูกไปแต่งกับคนอื่นเนี่ยนะพ่อแม่รู้สึกเสียเหมือนกันนะโอ้โหลูกเรากลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยพลัดพลากนะเพราะงั้นจะมีปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยเสมอเลยนะหลายๆบ้านมีถามจริงอ่ะไม่ต้องยกมือนะถามจริงอ่ะใครไม่ชอบแม่ผัวบ้างตอบในใจนะเนาถามจริงๆผู้ชายทั้งหลายใครไม่ชอบพ่อตาบ้าง พ่อตาก็ไม่ชอบเราแม่ปัวกขาไม่ชอบลูกสะพ้ายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันแย่งสมบัติของเราไปมันแย่งสมบัติของเราไปเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสุดท้ายใจเราจะมีคุณธรรมนะไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวแต่จะงดงามขึ้นมามีความสุขมีความสุขมีความสงบไม่เสียเงินซื้อด้วยะแค่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไป เรียนรู้รู้สึกร่างกายบ่อยๆต่อไปก็เห็นวนะ่าร่างกายมีแต่ทุกขนะ์ทำไมต้องกินข้าวเพราะทุกข์ใช่ไหมหรือเพราะตะกละ<ม>ต่อไปนี้ถ้าตะกละอย่าเพิ่งกินนะแต่ถ้าหิวให้กินถ้าหิวแล้วมันทุกข์ให้กินเคยนอนไหมนอนนอนเพราะขี้เกียจแต่นอนเพราะเห น, น, น็ดเหนื่อยเพราะง่วงข้า ง, ง่วงร่างกายมันทุกข์แล้วต้องนอนนะ เพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกของการที่ตื่นอยู่นแต่ถ้าขี้เกียจไม่นอนนะเนี่ยคอยดูที่ร่างกายเรื่อยๆในเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยทุกจะกินข้าวหิวมากก็ทุกใช่ไหมอิ่มมากก็ทุกอีกละขับถ่ายไม่ออกก็ทุกใช่ไหขับถ่ายไม่เลิกก็ทุกอีกใช่ไหมเนี่ยทุกสารพัดจะทุกเลยสารพัดจะทุกเลยงั้นดูลงมานะ ให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองอย่าล่องลอยไปรู้สึกอยู่ที่ร่างกายได้เลยเดี๋ยวเราจะเห็นความจริงของร่างกายแล้วก็คอยรู้สึกความจริงต่างๆในจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยคือนะท้ยปัญญามันก็เกิดแล้วนะทั้งกายทั้งใจนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีของพิเศษความอยากมันจะไม่เกิด อยากมันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์เท่านั้นแหละที่อยากสารพัดอยากอยากดูหนังนะี่ยก็เพื่อให้มีความสุขใช่ไหมอยากฟังเพลงก็อยากให้มีความสุขอยากกินของอร่อยก็เพื่อจะมีความสุขอยากมีแฟนก็เพื่อจะมีความสุขไม่หิวความสุขตลอดเลยถ้าปัญญามากพอนะใจไม่หิวนะจะจะมีสันติสุขขึ้นมาแทนสันติตัวนี้มีเศษมากถ้าเกิดจากปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ในรูปนามขันหานี้แล้วนะใจไม่ยึดถือในกายในใจแล้วเนี่ยจะไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจอีกดังนจะมีสันติมีความสงบไม่มาแล้วมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขตัวนี้ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจถึงขิตสุดแล้วเนี่ยความสุขนี้นะเหมือนสะเทียนเลยนะอยู่กับเราโดยที่เราไม่ต้องรักษาแต่ถามว่าคงที่ไหมไม่คงที่นะจิตพระอรหันเนี่ยไม่ได้มีความสุขตลอดเวลานะ จิตพระละหันยังมีเวทนาสองชนิดมีความสุขบ้างมีอุเบกขาบ้างเป็นเฉยๆบ้างมีความสุขบ้างแต่ไม่ทุกข์ของพวกเราเก่งกว่าพระละหันเรามีเวทนาในใจสามอย่างสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างส่วนใหญ่ทุกข์นะของพระละหันเนี่ยมีแต่ความสุขกับความเป็นอุเบกขานะแต่ไม่มีตัวทุกข์ทางใจนะตัวทุกข์อยู่ที่กายทําไมตัวทุกข์ทางใจไม่มีเพราะไม่มีความอยาก ทำไมไม่มีความอยากเพราะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกขนะ์นี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าละก็ละที่ต้นเหตุละความโง่ได้ก็หมดความอยากนะเมื่อความอยากถูกข์ละไปความทุกข์ก็ไม่มีนะความทุกข์ก็ถูกละไปงั้นทุกอย่างละที่เหตุนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเนะี่ยฝึกอย่างนี้นะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปแล้วพอสมควรแก่เวลานะ กับนรรศกการหลวงพ่อค่ะจิตขนาดนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงค่ะเนี่ยตัวจริงนะเราต้องหัดอีกรู้สึกไหมว่าตอนนี้เรานิ่งกว่าความเป็นจริงเราตื่นเต้นรู้สึกไหมตื่นเต้นเราเลยบังคับจิตให้มันนิ่งๆรู้สึกไหมจิตขนาเนี้ยถูกบังคับอยู่ไม่ใช่จิตตัวจริงไม่ใช่จิตที่เป็นธรรมชาติหรอกเป็นจิตที่แปลกปลอมให้รู้ทันรู้ทันแล้วเราก็เห็น ไม่ได้เจตนาให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นได้เองรู้สึกไหมเนี<ค>ย่ยดูอย่างนี้น้มมนี่แหละคือการเจริญปัญญาเออหมดคำถามยังยังค่ะออถามอีกว่ามาออตอนที่ยังไม่ได้ฟัง Youtube บของพ่อนะคะ ม, มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าเราเหลือแค่จิตดยงเดียวที่มันแยกกับกยายอะค่ะ คือบังคับกายไม่ได้เลยแล้วมีร่างกายไหมยังอยู่ค่ะร่างกายยังอยู่แต่บังคับร่างกายไม่ได้แล้วรู้สึกว่าคือตอนนั้นรู้สึกเหมือนร่างกายเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาใช่มันไม่ใช่เราแล้วรู้สึกน่ารังเกียจมากอืมก็เลยมาพอมาตอนนั้นไม่ไม่ทราบว่าสภาวะนี้เรียกว่าอะไรพอพอมาฟัง y o u ูทูบของหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็เลยมาทําความเข้าใจว่าอันเนี้ยก็คือ จิตเขาพาเราดูความเป็นจริงของอกายและใจใช่ไหมคะใช่ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราใช่มันเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะแล้วพอเห็นอย่างนี้ต่อไปพอมันมีร่างกายขึ้นมาอีกนะเคลื่อนไหวสั่งได้แต่ใจลึกๆมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราเข้าสมาธิแบบนี้ได้นะจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยนะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงสั่งไม่ได้ตลอดหรอก แต่ถ้าสมาธิลึกกว่านี้นะร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตนะคราวนี้ยจิตกับกายเนี่ยแยกขาดจากกันเลยออกมาแล้วเนี่ยจะไม่รวมกันอีกเลยนะปัญญามันมากพรอมันรู้กายส่วนกายจิตส่วนจิต อ, นนอย่างนี้นนดีมันคือการแย ก, แยกขันธ์ แ, นแต่ว่ายังไม่ขาดใช่ไหมคะก็ดีแล้วล่ ะ, ะได้เห็นอย่างนี้นะตัวสําคัญเนี่ยคือตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นเราจะเริ่มแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วน กายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งต่อไปเราก็จะแยกว่าความสุขความทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งโรคกลดหลงหรือความดีอยู่อีกส่วนหนึ่งดูออกไหมออเอออย่างนั้นเราแยกขันได้พอแยกขันได้แล้วทำไงต่อเราก็จะเห็นสภาวะทำแต่ละตัวแต่ละตัวนะเกิดได้ดับได้สั่งไม่ได้ หรือนะสภาวะใดาที่กําลังมีอยู่ก็กถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาการที่เราเห็นว่าสิ่ ง, ส, ง, ส, งสิ่งหนึ่งมีอยู่ขึ้นมาแล้วหายไปนะแล้วไม่มีมีแล้วไม่มีมมมเรีอกให้นั้นนิจจังสิ่งซึ่งกําลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้หายไปเรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะหายไปเราสั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตาดังนะั้นตรงนี้แหละคือการเห็นความจริงของกายของใจ อย่างนี้เราดูไปเรื่อยเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่การที่เห็นว่ากายไม่ใช่เรานะยังไม่เป็นพระโสดานะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สึับหมายถึงคนนอกศาสนาพุทธเนี่ยก็สามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่จะไม่สามารถเห็นว่าจิตใจไม่ใช่เราจิตใจเนี่ยมันเป็นคนดูนมันเป็นคนดูรู้สึกไหมในเนี่ยมันมีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างโงเราอย่างนี้ทั้งวันเลยนะ จะต้องฝึกไปเจนกระทั้งรู้ความจริงไม่มีเราหรอกมีแต่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะมีแต่ความสุขทุกมีแต่ความจํามีแต่ความปรุงดีปรุงชั่วมีแต่ความรับรู้สี่ขันนะถ้าจะรู้เลยแต่ละอันแต่ละอันเกิดเราดับทั้งสิน้นอย่างนั้นแหละเรียกว่ามีปัสนาไปดูต่อไปมาทางถูกแล้วขอบคุณค่ะอีกหนึ่งคถามนะคะตอนนี้รู้สึกตัวเองติดเรื่องสมาธิอยู่อะค่ะใช่ เนี่มันติดมันจะค้างอย่างเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าจะต้องปรับยังไงเพราะว่าหลังๆนี้นั่งสมาธินะคะเมื่อพจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยคือเรารู้สึกว่าจิตมันอิ่มแต่จริงๆเมื่อดูเวลาแล้วมันผ่านไปไม่กี่นาทีไม่เป็นไรจิตมันพักพอละเมื่อจิตพักพอแล้วให้เดินปัญญา น, นี่เดินปัญญาด้วยการดูจิตไม่ได้เพราะจิตจะไม่มีอะไรให้ดูออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยปัญญาที่เราเดินได้นะคือดูกาย ดูร่างกายเลยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูดูไปทีละส่วนทีละส่วนนะแต่ละส่วนนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาะค่อยๆทีแรกก็คิดพิจารณาเอาพอใจมันคล่องแคล่วแล้วใจมันจะดูเองไม่ต้องพิจารณาเป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาหรือไม่ต้องพยายามไปปรับเรื่องเวลาในการนั่งไม่ต้อง<ช>ไม่ต้องอย่าไปฝืนจิตจิตจะรวมนานแค่ไหนก็ช่างนะจะรวมสั้นๆก็ช่าง สั้นมากเลยค่ะบางทีออกมาแปดนาทีเองแต่รู้สึกว่ามันนานค่ะแล้วรีบยินดาร่างกายเลยไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ต่บไปให้คนอื่นบ้างรูปปิดเพ่งมาค่ะยังไม่เลิกเลยใช่ค่ะแต่ดีขึ้นแล้วล่ะไม่เพ่งแรงเท่าเก่าเวลาเราเพ่งนะไม่มีสติปัญญาเลยรอกแข็งแข็งไปเง้นทื่อๆนะไม่มีความสุข ปล่อยออกมานะ่รู้สึกไห้ใจมันเริ่มเคลื่อนไหวได้ค่ะะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้ไมันจะได้เห็นว่าใจนี้ไม่เที่ยงเยอะค่ะนั่นแหละดีเห็นกิเลสเยอ ะ, ะเยอะเยอะมากแล้วพวกที่ติดสมาธินะพอหลุดออกมาเนะีจะกิเลสแรงกว่าชาวบ้านธรรมดาใช่ค่ะใช่แน่นอนกิเลสมันต้องคิดดอกเบีย้ยอย่างลูกนี้ควรจะสวดมนต์ไหมคะรู้สึกสวดเยอะนั่นหนักสวดไม่เป็นไรสวดล้วได้สมาธิ สวดมนต์ไปนะแต่สวดมนต์แล้วเนี่ยจิตใจมีความสุขให้รู้สวดไปจิตใจเป็นทุกข์ให้รู้สวดมนต์แล้วจิตสงบให้รู้สวดมนต์แล้วจิตฟุ้งซ่านให้รู้สวดมนต์แล้วปล่อยให้จิตมันทํางานแล้วรู้ทันจิตไป<อ>จําได้ไหมจําได้ค่ะว่าไงสวนมนสดมนต์นี้ให้รู้เออแล้วปล่อยให้จิตมันทํางานนะแล้วก็รู้ทันมันไปค่ะ<อ>เ อ, อลูกชอบการเดินจงกรมแต่ว่าพอนึกถึงแล้วมันไปติดเพ่งอ่ะก็เลยแบบ ไม่กล้าทำในรูปแบบไปปัดบ้านแทนคือคือจะได้ตอนล้างจานนั่นแหละดีเออได้ตนามน้ำก็เปลืองน้ำหน่อยเข้าห้องน้ำบ่อยชอบอ่าหาถังมาสักใบเองใส่น้ำไว้ครึ่งหนึ่งลงไปแช่อยู่ในเตาอนะขยัดน้ำอย่างลูกนี่ควรจะทำในรูปแบบต่อไหมไหมคะทำไม่เลิกหรอก ที่ฝึกอยใช้ได้แล้วล่วพะพ่อจิตมันคลายออกจากการเพ่งแล้ว<ะ>ถ้าคลายได้ไม่ไม่มีปัญหาหรอกลว<ะ>้วเพ่งทื่อๆตลอดชาติใช้ไม่ได้ต่อไปกรรมนมัสการของพ่อครับก็ปฏิบัติในรูปแบบมาประมาณปีกว่าละปัจจุบันก็คือว่าในระหว่างวันก็รู้กายรู้ใจมากขึ้นเหมือนเ<ะ>วลาปฏิบัติในรูปแบบจะมีสองแบบก็คือว่าเ อ, อเดินจงกรมครับก<ะ>็จะรู้กายที่เคลื่อน นักสมาธิเนี่ยจะรู้จิตที่เคลื่อนอครับเราเราปรับอีกหน่อยเดินจงกรมนะเห็นร่างกายเคลื่อนแต่ถ้าจิตเคลื่อนก็รู้จิตเรีว่าร่างกายเคื่อนไหวนะแล้วจิตเป็นไงรู้ทันจิตนะมันจะไปอีกช็อตหนึ่งนะมันจะสลับกันนะครับบางที ม, มันก็คือเหมือ น, นตามที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าถ้ามันไม่ได้ปุ๊บก็จะไปทำสมาธิตรงครั บ, รบนะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถนะใช้หลักนี้ครับขอคำแนะนำจากหลวงพ่อไม่ทำอีกนะอย่าไปเพ่งมากยังเพ่งแรงอยู่หักนวมัมสการหลวงพ่อค่ะก็ครั้งแรกแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาสามปีอะค่ะแล้วก็อยากจะทราบว่ารู้สึกหรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนใจเราเมนมันไม่เหมือนเดิมรู้สึกหมค่ะใช่ค่ะมันโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นใช่ค่ะ เราไม่ได้ฝึกเอาแค่นี้นะเราฝึกให้เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้ขออรูปปฏิบัติถูกต้องไหะคะถูกถูกใช่ไหมขอบคุณครับใครดูความเปลี่ยนแปลงของเขาน ะ, ะเดี๋ยวเ้าสุขเดี๋ยวเ้าทุกข์เดี๋ยวเ้าดีเดี๋ยวเขาร้ายแก่เราเป็นแค่คนดูนขอคําแนะนํากับการบ้านยังชอบแซรกแซงอยู่ อย่ า, ย า, ย า, ยาไปแทรกแซงบางคับจิตนะค่ะยังมีการแทรกแซงยังอยากดีอยู่ค่ะรักดีหามจั่วหนักนะจัว่วค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมว่าเราร้ายกว่าที่ชิดใช่ใช่ค่ะ <languages> ใช่จากเมื่อก่อ น, นไม่เคยทราบว่เาเราไม่ดู <S 1> <S 1> อย่างนี้สิค่อยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อได้ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยกิเลสหนาแต่ปัญญาไม่หยาบ กิเลสมีเท่าไหร่รู้หมดเลยนะของสำนักอื่นเขากิเลสไม่โปร้วิปัญญาไม่มีเนี่ยเราคอยดูของเราอย่างนั้นแหละ <c oughs> รู้ทันนะว <c oughs> ันเหมือนว่าพ้นมันไปะเหมือ น, นอนจมเชื้อโรคกกอยู่กิเลสเหมือนเชื้อโรคซ่อนอยู่ในตัวเราไม่รู้นะ <c oughs> กำเริบมันก็ตายเลยอ <c oughs> ่ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะก <c oughs> ับนมัสกรารหลวงพ่อค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าสมาธิติดขัด ียอย่าไปบังคับมันทําสมาธิอย่าไปมุ่งที่สงบทำสมาธินะมุ่งทําไปแล้วก็ค่อยรู้ทันใจของตัวเองไปนะทําสมาธิใจสงบ ก, ก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้เมื่อเดือนที่แล้วรู้สึกว่าจะรับเรื่องแต่ว่าช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าโลภติดเขาสอนธรรมะเรารู้สึกไหมไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงเห็นไหมเคยดีแล้วต้องดีตลอด เนี่ยราฝืนธรรมชาตินะไม่มีหลอกนัปฏิบัติที่ว่าเจริญตลอดไม่มีเลยนะมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจนปัญญาปิ้นขึ้นมาสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงนื่อแหละปัญญาไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งเที่ยงนะไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งสุขตลอดไม่ใช่เราไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบ แต่เราฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราฝึกเพื่อจะให้เห็นอันนี้นะถ้าฝึกจะเอาความสุขความสงบนะก็ต้องอกหักไปด้วยเพราะมันสงบแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบอีกก็วนเวียนอยู่นี้ตลอดชีวิตไม่ไปไหนหรอกใจถึงถึๆหน่อยปรับเป้าหมายของการปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเอาสงบเอาดี แต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถ้าปรับเป้าหมายการปฏิบัติได้การพัฒนาก็ง่ายมันเป็นไปได้เพราะอะไรกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นความจริงแต่ถ้าปฏิบัติเอาดีเอาสู่เอาสงบนะต้องอกหักแน่นอนเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงนะ่านะตับไปน้มัสการหลวงพ่อเจ้าอาลูก ไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบเพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อได้ป่วยเป็นอมษ์ได้ทำระยะสั้นๆบ้างตอนที่จเจริญอยู่เนี่ไม่เป็นไรเ ร, เราดูแลพ่อไปนะล้วก็ดูพ่อบ้างดูใจบ้างใจเรานะ่ะบางคนดูแลพ่อแม่ไม่สบายนะเพราะนาเก่งมากเลยเขาดูเขาเห็นเลยว่งใจมันเบือ่อ ทำไมพี่น้องคนอื่นมันไม่มาดูบ้างมันให้เราดูคนเดียวโทรสระขึ้นมาก็รู้อะไรอย่างนี้นะก็ดูของเขาเองแค่เก่งตอนนี้ที่ลูกปฏิบัติอย่างเมื่อกี้เห็นไหมใจมันอยากพูดนั่นแหละเมื่อกี้เห็นถูกแล้วมันดันปุ๊บขึ้นหกลางอกนั่นแหละเห็นถูกแล้วทาบที่ลูกปฏิบัตินี้สามารถแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็แยกได้แต่ยังติดเพ่งนะติดเพ่งจะแก้ยังไงคะไม่แก้ให้รู้เอา มันเพ่งเพราะมันอยากดีถ้าเราไม่ได้อยากดีนะเรารู้ว่าใจมันอยากดีรู้ว่าอยากแค่นี้มันก็เลิกเพ่งละเพราะมันเลิกอยากดีให้รู้ทันใจที่อยากไอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ให้รู้ทันใจที่อยากตอนนี้ก็เหมือนมีความรู้สึกว่าสามารถอ ปล่อยอารมณ์ได้เป็นบางครั้งนะค่ะเราไม่ได้ฝึกปล่อยน ะ, ะจิตเขาปล่อยเองไปเห็นเห็นพปล่อยได้เองเปล่าหรือว่าเราปล่อยไปเห็นแล้วก็ปล่อยเองถ้าจิตเขาปล่อยเองใช้ได้ถ้าจงใจปล่อยใช้ไม่ได้พ อ, อหลวงพ่อแนะนำกนารปฏิบัติสอนอย่าประคองจิตไว้แบบนี้นะถ้าอยู่ข้างนอกตอนเจอหลวงพ่อมันกลัวแล้วก็เพ่งไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกเร่อไปข้านอกอย่าให้ติดอย่างนี้นะ แต่ที่ปฏิบัติมาถ้าถ้าอยู่ข้างนอกแล้วจิตเหมือนตอนนี้ผิดนะะถ้าอยู่ข้างนอกจิตเหมือนคนธรรมดานะ่นแะถูกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างนีใช่ใช่ต้องคุ้มดีคุ้มร้ายนะภาวนาแล้วดีตลอดโอ้ภาวนาไม่เป็นหรอกแล้าภาวนาดีแล้วจะเห็นมันคุ้มดีคุ้มร้ายเห็นไหมตอนเนี้ยแตจมันเหยวลงไปนิดหนึ่งดออกไหมเ อ, อ, อ้อย่างนี้เห็นไหมมันชักจะคุ้มร้ายขึ้นมาและต่อไปก็คุ้มคลั่ง นะรุ้มากมากเแต่ที่ผ่านมาก็เห็นตัวเองไล่มากอะค่ะถูกจริงหลวงพ่อรับรองให้แต่ตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะในลนลาไปเยอะแล้วค่ะดีเขาเลิกเองแหละหพอรู้สึกไหมโกรธทีไรก็ทุกทุกทีรอดทีไรก็ทุกทุกทีทั้งขี้เกียจโกรธขี้เหยียบรอมทุกไปไปฝึกต่อ กรับน ม, มัสการครับหลวงพ่อครับตอนนอี้ผมขอภาวนาดีภาวนาใช้ได้ผมรู้สึกว่าผมภาวนาสเปสปะมากเลยนั่นแหละดี <c oughs> มั่วมั่วมากบางทีมั่วก็รู้ว่ามั่วนะนั่นแหละรู้เรียบร้อยแล้วนะภาวนาให้งงจะเลยรู้ว่างงใช้ได้บางทีก็รู้ว่าเหมือนมีติดอะไรอยู่ผมก็ไม่เออเออนั่นแหละฉลาดมากเลยดีมากเลยนะ ก็อยากจะขอการบ้านด้วยครับความรู้สึกอย่างนี้หลวงพอ่อแต่ก่อนก็เป็นนะมาบวชแล้วภรรษาที่หนึ่งที่สองพรรษาที่สามบวชได้สองปีกว่ากว่าไดพรรษาที่สามรู้สึกใจมันติดติดอะไรอยู่นะก็เห็นอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าติดอะไรรู้สึกไหมมันติดแต่ไม่รู้ว่าติดอะไรโอ้เด็กนี่พ่อนานดีมากเลยอย่างนี้หลวงรู้สึกไหม ไหลพิคิดแล้วหลบตัวเองไม่บังคับนะหลงก็ได้นะหลงแล้วรู้ปุ้งซ่านเรารู้งรเรร ง, งเราก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละถูกต้องแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีนะไม่ได้ปฏิบัติห้เอาความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นเลยเราปฏิบัติแค่ว่าเรารู้ทกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเป็นของบังคับไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้เอง ว่านาเก่งมากเลยเด็กเนี้ยทำไมเก่งรู้ไหมเพราะไม่รู้เรื่อง <c oughs> ผู้ใหญ่เนี่ยมานยามากอ่ะคิดมากรู้มากนะพอนายากนะเด็กๆไม่รู้จะดูอะไรมีอะไรให้ดูก็ดูอันนั้นแหละแล้วก็งงนี่ปฏิบัติอะไรนี่หรอว่าปฏิบัติธรรมนี <c oughs> ้ารู้สึกตัวเราดูหน้าสิในลูกให้คนอื่นเขาดูหน้าหน่อยสิใครเขามีตาเขาจะได้เห็น มันใสกับแก้วเลยล่ะเล่ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> นเอาผู้ใหญ่ใจฝ่อเลยนรัมสกานหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวเราพอพสรุปให้เด็กนี้ น, นิดหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวงงต่อเป น, นี้นะไม่ได้ฝึกเอาดีเอาอะไรหรอกนะรับใจเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาในใจเนี่ยจะรู้จักชื่อหรือไม่รู้จักชื่อก็ไม่สาคัญเราแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็หายไปเราเห็นแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องชื่อมันไม่สำคัญแล้วระหว่างที่รอจะส่งกันบ้านก็เห็นจิตตื่นเต้นไปสามรอกคนะ่ะเออดีอื่นเต้นมาแล้วก็ดับแล้วก็เต้นอีกอย่างนี้ค่อยฉลาด ก็สงการบ้านให้อาจารย์หลวงพ่อเป็นครั้งแรก<ม>ต้องบอกว่าได้มีกาลยานมิตรได้อบอกธรรมบัญญายของหลวงพ่อตั้งแต่ปี2551 <ม>ได้โหลดมาไว้ในมือโน้ตปุ๊บ<ม>แต่ได้ฟังอยู่ช่วงหนึ่งแต่เหมือนจะไม่เข้าใจ<ม>ค่ะก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่เส้นทางของสมถะมาหลายปี จนวันหนึ่งจิตถามขึ้นมาเองว่าแล้วปัญญามันคืออะไรค่ ะ, ะก็มาหา u t u ู e อีกครั้งหนึ่งจนมาเจอธรรมะของพระอาจารย์หลวงพ่ออีกรอบหนึ่งก็ปฏิบัติมาหนึ่งปีปีกว่านะคะเห็นกายกับจิตที่แยกกันกนะคะใช้วิหารธรรมเป็นลมหายใจค่ะก็ ปฏิบัตมาเรื่อยๆนะคะเยปรับนิดนึงตรงที่เรารู้ลมนะจิตยังไหลไปที่ลมนะ <c oughs> ให้รู้ทานจิตที่ไหลไปที่ลมดูตัวนี้ด้วยค่ะ<อ>สิ่งหนึ่ง <ไป S 1> สิ่งหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก็คือปฏิบัติให้ฐานมากขึ้นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมีการภาวนาในรูปแบบทุกวันในชีวิตประจำวันก็จิตกลับมาที่ฐานบ่อยครั้งขึ้น บางวันที่ทํางานเยอะๆก็อาจจะไม่กลับมาที่ฐานเลยพอกลับมาก็จะรับย้อนกลับไปดูว่าอ๋อวันนี้ไม่กลับมาที่ฐานเลยนะคะอ่าทุกครั้งที่กลับมาที่ฐานก็ลมหายใจก็รู้สึกแผ่วเบาดูมีความสุขในขณะที่กลับมาที่ฐานทุกครั้งแต่สิ่งที่รู้สึกเอกลัวซึ่งจะถามพระอาจารย์หลวงพ่อในวันนี้ก็คือว่าจิดเนี่ย ไปคิดในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเหมือนเป็นสิ่งที่ไปเรียกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพระอริยสงฆ์ในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดครั้งแรกที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยรู้สึกกลัวค่ะแล้วรู้สึกหลบที่จะไม่พอๆติดแบบนั้นเข้ามาก็รู้สึกกลัวแต่ฟังซีดี หลวงพ่อบอกว่าให้กล้าๆหน่อยมองแบบตรงๆไปเลยก็ใช้วิธีแบบนั้นสิ่งนั้นก็เบาบางลงแต่ก็ยังมีเข้ามาบ้างนบครเร า, าไม่ได้ฝึกเพื่อว่าจะบังคับมันให้ได้นะสังเกตไหมจิตสอนธรรมะเราอยู่ๆบางทีมันด่าพระพุทธเจ้านะเอด่าครูบาอาจารย์อย่างนี้ยสังเกตไหมมันด่าได้เองค่ะมันมันว่าได้เองเออมันว่าได้เองเนะนี่ยมันสอนเรานะว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา อู่เลยกลัวอยู่ช่วงหนึ่งที่กลัวว่าเขาจะว่าคือไม่ต้องกลัวเราไม่ได้มีเจตนาเนะ น, นั้นจิตมันว่าไปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยนะ เ, เล็กระตัด ต, ต, ตากรรมกรรมเล็กน้อยะแต่ว่าตรงที่เรารู้ทันว่าจิตทํางานได้เองเป็นปัญญาเป็นบุญใหญ่นะนมีบาปเล็กน้อยแต่มีบุญใหญ่ไม่ต้องกลัวหรอกกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายที่วัดสวนสันติธรรมมาค่ะเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วจากนั้นก็ได้นํามาปฏิบัติโดยการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะนั่งสมาธิโดยการบริกรรมพุทธโธพุทโธแล้วก็พอพุทธแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็ออกอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็นับหนึ่งไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะเห็นว่าจิตอะค่ะ ไหลไปคิดเรื่องอื่นเป็นไปหมดเลยเห็นไหมมันไหลได้เองใช่ค่ะที่เราฝึกนะเพื่อให้เห็นอย่างนี้นะเห็นว่าจิตมันทํางานได้เองนะฝึกปล่อยๆค่ะจนกระทั่งจิตมันยอมรับปัญญามันเกิดมันรู้ว่าจิตไม่ใช่เราทํางานได้เองค่ะแล้วก็เรื่องดูกายอ่ะค่ะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือไปอาบน้ําจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยมัน มันสระผมมันทําอะไรเองของมันหมดเลยค่ะมันไม่ใช่เราหรอกใช่แล้วก็จะรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยเรามาสิงอยู่ในร่างใครอะไรแบบเนี้ยค่ะเราสิงอยู่ในผีตัวนี้แหละใช่ <laughs> จะรู้สึกกลัวแต่จะเป็นสักประมาณห้าวินาทีะคะ่ะอย่างน้อยเราก็รู้ความจริงแล้วนะนะว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันรู้สึกไหมถ้าเห็นอย่างนั้นนะจะรู้เลยร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกัน ใ, ใจมันแค่มาอาศัยอยู่ในเปลือกอันเนี้ยอยู่ในโพรงในถ้ามันนี้เท่านั้นเอง เปลือกนี้ไม่นานก็แตกสลายไปสนใจก็ไปตามบุญตามบาปค่ะให้ฝึอกอีกไปได้ค่ะขอบพระคุณค่ะไอ้หนุ่มนี่ยังไม่หายตื่นเต้นเลยเนะี่ยพหลวงพ่อชมไว้นะปกติถ้าหลวงพ่อชมใครมากๆนะาะนั้นจะเป๋ไปพักใหญ่ๆนะเพราะว่ากลัวมันจะไม่ดีอย่าไปกลัวไม่ดีนะ อู้ตายแล้วจะภาวนาอย่างไรจะดีอย่างที่หลวงพ่อบอกทั้งที่ภาวนามาแล้วหลวงพ่อชมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามาได้ยังไงใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแค่คอยรู้ทันความรู้สึกนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้จำประโยคนี้ไหมแค่นี้พอละคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้สึกสุขก็รู้รู้สึกทุกข์ก็รู้ รู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็รู้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งมันจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยดับทั้งสิ้นจุดที่เราต้องการก็คือต้องการให้จิตฉลาดหรือว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยดับทั้งสิ้นเพราะงั้นแค่รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าเข้าไปบังคับมันนะเห็นตอนนี้เริ่มบังคับแลเริ่มแทรกแซงเริ่มจะเป็นนักปฏิบัติ แบบรุ่นพี่ทั้งหลายแล้วเด็กๆนั้นาะวนะนาใสๆซื่อๆนะรานา ง, ง่ายลวงพ่อเจ็ดขวบนะค ร, รษษูอัจานทร์สอนธรรมานาพัสติน้ํนปุ๊บรวมเลยนะไม่กี่วันอนะ่ะรวมเลยเล่นโน้เนเล่นนี้ได้เพราะมันไม่มีมันยะาเด็กมันดูซื่อๆไปเก็ดผู้ใหญ่มันยามากอย่างเด็กนะได้ยินบอกให้ดูจิตก็ดูเลยก็เห็นนะ่ะวมันสุขมันทุกข์มันดี ม, นดมันชัว่วก็เห็นแล้วล่ะ ผู้ใหญ่นะพอสอนมาเอาไปดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นยังไงจะเอาอะไรไปดูดูแล้วจะมีอะไรดูแล้วจะได้อะไรโอ้ยคิดทั้งสามวายังไม่จบเลยนะสุดท้ายดูไม่ได้ฮะสู้เด็กไม่ไหวอ้าต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกไม่รู้ว่าลูกยังติดนิ่งลึกๆมือยังมีบ้างแต่ไม่รุนแรง คลายออกไปเยอะแล้วเจ้าคะรู้สึกไหมใจขนาดเนี้ยไม่เป็นธรรมชาติใจที่ดีที่สุดนะคือใจของคนธรรมดาเนี่ยใจของคนปกติเนี่ยเดี๋ยวก็แป่งขึ้นเดี๋ยวก็แป่งลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั้นใจของคนปกติเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะมีอนิจจังให้ดูตลอดเลยในขณะที่ใจของนักปฏิบัติเนี่ยนิ่งๆสามวันแล้วก็ยังนิ่งอยู่ที่เดิมนะไม่ไม่เคยเห็นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตา งั้นปล่อยให้ใจมันทำงานไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับมันดีขึ้นมากแล้วล่ะคลายออกแล้วรู้ไหมรู้ตัวไหมว่ามันคลายใช้ได้ไปทําอีกไหมหนุ่มนี่ก็ใช้ได้นะเอาว่ามาส่งกันบ้า น, ารานครับกล่าวนรรสการ์พระอาจารย์ครับเขินเขินรู้ว่าเขิน สังเกตนะยุคนี้นะผู้ชายจะขี้อายกว่าผู้หญิงอะ่ะเหมือนกันหมดเลยนะส่วนใหญ่นะผู้หญิงยุคนี้เป็นผู้หญิงเก่งไม่ค่อยอายหน้าไม่แดงต้องทาสีลงไปผู้ชายเดี๋ยวนี้โดนผู้หญิงมองก็หน้าแดงแล้วอ่ะว่ามาก็ช่วงแรกๆ ก, ก็จะเห็นว่าตัวเองนี้ลายครับแล้วก็ตัวเองอะไรนะตัวเองนี้มันคือไอ้ตัวนี้มันลายครับแล้วก็ พอปฏิบัติไปสักพักหนึ่งมันเกิดทุกข์ขึ้นมาครับแต่มันไม่มีชื่อเรียกเหมือนน้องเขาครับมไม่รู้ว่ามันคือราคะหรือโดสะไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเราต้องการเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับครับแต่ก็ล่าสุดเหมือนกับได้ยินเสียงประทัดนะครับแล้วก็ปึ้งแล้วก็ตัวหนึ่งมันไหวๆครับ อ, อีกตัวหนึ่งมันนิ่งดูอยู่ครับเออนั่นแหละมันแยกของมันเองใช้ได้นะ เราไม่ต้องจงใจแยกตัวดวงออกมา น, นี่ผลของการปฏิบัติเวลาที่กระทบอารมณ์ที่รุนแรงนะจิตตัวรู้เนี่ยจะดีดผางออกมาเลยหรือบางคนเวลาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถหงายนะตัวรู้มันจะดีดออกมาเลยย่งเห็นร่างกายกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ค่อยเป็นอันตรายอะไระดิ๊บึกอย่างนั้นนะขอบคุณครับแล้วไปดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมอันนี้ก็ไหวได้เอง สุขทุกข์ดีชั่วนะขึ้นมาจากไอ้ตัวนี้นะความสุขก็ผุดขึ้นมาจะกไอ้ตัวไหวๆเนี่ยตัวทุกข์ก็ผุดจากไอ้ตัวไหวๆนี่แนหะตัวดีตัวชั่วก็ผุดจะไอ้ตัวไหวๆกลางอกนี่นหะนะแต่อย่าไปจ้องใส่มันเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างนะถ้าเห็นแล้วก็ไม่จ้องแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่อ่ะต่อไปหลวงพ่อเจ้าขาขออนุ ญ, ญาตนิดนึงเจ้าค่ะเออลูกพอจะรู้ถูกต้องบ้างไหมเ้าคะเมื่อกี้สัญญาณดับ รู้อยู่เพามื่อกี้ดับแต่ทําน้อยไปใช่ไหมจังค่ะไม่ไม่น้อยไป <S 1> <S 1> ใจเร้าร้อนไปรักดีมากไปเป็นคนธรรมดาให้มากๆานะลืมคําว่านักปฏิบัติไปนะแล้วร่างกายเคลื่อนไวหวก็ทํางานอะไรก็รู้สึกไปจิตใจมันทำงานอะไรก็รู้สึกไ ป, ไกไปลืมคำว่าปฏิบัติไปคําว่าปฏิบัติมันหลอกทําให้เราเพ่งเอาเพ่งเอาอันนี้มันยังอยากดีอยู่เลย <S <S ใช่ไหมใช่ใชยังอยากอยู่ ขอพคุณเจ้าค่ะวันนี้น่าตาคุณคุณ <c oughs> ค่ะเคยไปส่งการบ้านที่กับหลวงพ่อมาแล้วคะ่ะถามนักวัชการหลวงพ่ออ่นะคะอตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตอนช่วงขณะที่เรามีผัดสระแรงๆอะนะคะใจไม่ยอมเป็นกลางออืห้ามไม่ได้้ใจน่ะห้ามไม่ได้คําว่าจะต้องทอํายังไงไม่มีนะใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลาง เห็นแมยใจมันยินดียิร้ายได้เองต้องการเห็นอย่างนี้ทางหาะต้องการเห็นใจรักมีดียินร้ายได้เองก็งเห็นอนัตตาไม่ได้ต้องการให้มันดีนะแล้วตอนตอนเวลาลูกนั่งสมาธิอ่ะนะคะไม่ทราบว่าลูกยังติดเพ่งไหมคะนั่งสิสเพ่งแล้วนเริ่มต้นก็เริ่มเพ่งแล้วนะ ถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราทุกคนเอาทุกคนเลยเราจะฝึกนั่งสมาธิกันหน่อยนะมีเวลานิดนึงสังเกตไม่ต้องขยับตัวล่ะรู้สึกไหมตอนนี้นั่งอยู่หรือยังแล้วทำไมมันไม่เป็นสมาธิเพราะมันขาดสตินะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งนะไม่ใช่ต้องท่านั่งอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะเป็นสมาธิตอนนี้นั่งอยู่แล้วนั่งรู้สึกตัวเอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้ม ไ่ยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายไปยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายหายใจอย่าไปจ้องที่ลมหายใจนะรู้สึกร่างกายมันหายใจรู้สึกทั้งตัวรู้สึกสบายๆค่อยๆฝึกไปนะเนี่ยรู้สึกอยู่ในร่างกายแต่ถ้าใจมันหนีไปใจมันหนีไปให้รู้ว่ามันหนีไปต่อไปนี้หลาพ่อจะไม่พูดจะหยุดพูดนะห้ามคิดนะนะเริ่มดูคิดไหม เนี่ยใจมันหนีคิดมันนิคิดอย่างนี้แหละให้เรารู้ทันนะเราทํากรรมฐานอะไรก็ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรนั่งหายใจอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปถ้าดูใจที่หนีไปได้ให้ดูใจนะถ้าดูจิตใจไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนะ่ก็ได้สมถาเหมือนกันไม่ยากหรอกง่ายแต่อย่าไปบังคับมันนะ ถ้าบังคับว่าต้องสงบต้องสงบเนี่ยจิตจะยิ่งฟุง้งซ่านจิตไม่ชอบให้ใครบังคับอ่ะมีอะไรอีกต้องพัฒนาตรงจุดไหนอีกนีมคะตรงไหนถึงว่าต้องดูตรงจุดไหนเป็นพิเศษตัวเราสิสีเราดีหรือยังก<อ>็แต่เรายังฟุ้งซ่านเก่งไหมเห็น ไ, ไหมนี่ยเราดูจุดดอนต่างๆนะเอะ เราแยกรูปนามได้บ่อยไหมหรือจงใจแยกหรือแยกเองถ้าแยกรูปนามได้แล้วเห็นรูปนามแสดงใจรักไหมถ้าเห็นแต่รูปนามไม่มีใจรักอันนี้ต้องคิดพิจารณาช่วยมันนะถ้าเห็นใจรักได้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วมาดูใจรักของรูปนามไปนะวันไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบนถะ้าพื้นฐานเลยก็ถือศีลฝึกอย่างเนี้ยฝึกไปได้ได้ไดมันเหมือนเราขับรถยนต์นะ ทำกรรมฐ า, านกะ็เหมือนขับรถยนต์ถึงเวลาควรจะเหยียบเบรกก็เหยียบเบรกนะถึงเวลาจะเหยียบคันเร่งก็เหยียบคันเร่งแต่ต้องให้คนที่นั่งข้างๆคอยสอนไหมอ้าเหยียบคันเร่งด้วยความน้ำหนักขนาดนี้อย่างนั้นขับรถไม่เป็นนะขับรถเป็นเพรรู้จังหวะของตัวเองตอนไหนควรจะทําอะไรตอนเหยียบเบรกเนะี่ยเหมือนกับทำสมาธิทําสมถะจะให้จิตพักตอนเหยียบคันเร่งก็คือจะเจริญปัญญาจะดูรูปนามแสดงใจลัก ช่วงไหนควรเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาช่วงไหนฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้ทำสมถะนะใช้หลักนี้แหละค่อยฝึกตัวเราไปเรื่อยศีล ส, สมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นมาอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองนะไปฝึกเอาไปบรคคุณ่นในโอกาส น, นี้นะครับผมขออนุ ญ, ญาตเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับในการอ่ากล่าวคำถวายทานนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยธยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเรื่อนี้แต่พระอาจารย์ปามโมตปาโมชโชขอพระอาจารย์โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตับสิ้นการนล่นลนานเชิญรับพรยะถาภริวหาปูราปริภูเรนติสาคารังเอวเมวัยิโตทินังเปตาณังอุปกปติ ปิชิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวาสมิตจตุสัพเพปูเรนตูสังคป่าจันทูปนรโสยาทามิโชธิระโสยาทาสพีทีโยวิวัชชนตูสัพรโรโควินัสตูมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายกูภะวะาอภาิวาทานาสีลิสนิจังมุธาปจายโนจตารุธรมมะทันตีอายุวโนสุขัง พลังหลวพ่อนนโมทนากับทีมที่จัดงานนะโนโมทนากับพวกเราที่มาฟังธรรมด้วยเป็นบุญแล้วละที่ได้ฟังธรรมนี่บุญจากการฟังธรรมก่อนจากกันนะก็ไปตั้งใจภาวนาต่อนะ